บทภาชนี746อุปสัมบัญภิกษุนีสําคัญว่าเป็นอุปสัมบัญแลกเปลี่ยนจวนกันแล้วชิงเอาคืนหรือใช้ผู้อื่นให้ชิงเอาคืนต้องอ ბ านิสกียปาจิตตีอุปสัมบัญภิกษุณีไม่แน่ใจแลกเปลี่ยนจวนกันแล้วชิงเอาคืนหรือใช้ผู้อื่นให้ชิงเอาคืนต้องอ ბ านิสกียะปาจิต <the> ต <liegt> ี <The 999> อุปสมบันิภิกษุณีสําคัญว่าเป็นอนุปสัมบันิแลกเปลี่ยนจีวรกันแล้วชิงเอาคืนหรือใช้ปืนให้ชิงเอาคืนต้องอบัตินิสักคียปาจิตตีทุกกฎภิกษุณีแลกเปลี่ยนภิกษุณีเปลี่ยนบริขารอย่างอื่นแล้วชิงเอาคืนหรือใช้ปืนให้ชิงเอาคืนต้องอบัติทุกกฎภิกษุณีแลกเปลี่ยนจีวรหรือบริขารอย่างอื่นกับอนุปสัมบันิแล้วชิงเอาคืน หรือใช้คนอื่นให้ชิงเอาคืนต้องอวบัดทุกกฎอนุปสัมบันฑภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอุปสัมบันต้องอวบัดทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุณีไม่แน่ใจต้องอวบัดทุกกฎอนุปสัมบันภิกษุณีสำคัญว่าเป็นอนุปสัมบันต้องอวบัดทุกกฎ